สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบารนะครับในเช้านี้เราอยู่ในชุดเปรียซูตอนที่สามร้อยสามสิบหกเรื่องชุดเประเยซูการทดลองและความผิดบาปพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมรรโกรบทที่เก้าข้อที่สี่สิบสามจนถึงข้อที่สี่สิบเก้านะครับข้อที่สี่สิบสามจนถึงข้อที่สี่สิบเก้าถ้ามือของท่านทําให้หลงผิด จงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในชีวิตด้วยมือด้วน ย, ยังดีกว่ามีสองมือและต้องถูกทิ้งในนรกในไฟที่ไม่รู้ดับถ่าเท้าของท่านทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในชีวิตด้วยเท้าด้วน ย, ยังดีกว่ามีเท้าสองเท้าและต้องถูกทิ้งในนรกถ้าตาของท่านทาให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสีย ซึ่งจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตาและต้องถูกทิ้งไปในนรกในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดับเลยด้วยว่าคนทั้งปวงจะต้องถูกเคล้าเกลือแล้วชำระด้วยไฟก็5ห้าสิบเกลือเป็นของดีแต่ถ้าเกลือหมดรสเค็มแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ ทั้งหลายจงมีเกลือในตัวและจงอยู่สงบสุขสามคัคคีซึ่งกันและกันพียงครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบแปดข้อเจ็ดถึงข้อสิบเอ็ดแต่ในเช้าวันนี้เราจะมาดูถึงสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในพระธรรมมรารโกมรารโกผู้บันทึกพระกิตติคุณใช้ข้อนี้ เล่าถึงคำสอนของพระเยซูเรื่องการทดลองและการกระทำบาปการชักนำให้คนอื่นทำบาปก็เป็นการผิดบาปด้วยพี่น้องครับโปรดย้ำเน้นนะครับว่าการชักนำให้คนอื่นทำบาปแม้ว่าตัวเองไม่ได้ทำก็ตามถือเป็นการผิดบาปด้วยพระเยซูทรงเสนอภาพพจน์ต่างๆ ตามที่ปรุงใช้ในคําเทศนาบนภูเขาเราจะมาดูกันนะครับว่าตอนนี้พระเยซูสอนเหล่าสาวกในคาปเลอูมพระเยซูตรัสสอนในข้อที่43มือหากเป็นเหตุให้เราทำบาปควรตัดทิ้งเสียและต่อมาก็พูดในคำนองเดียวกันเกี่ยวกับตาและเกี่ยวกับเทา้า วิธีการสอนแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าวิธีการสอนที่ขยายความนะครับให้เกินจริงเพื่อให้การสอนมีน้ำหนักมากขึ้นครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าไฮเปอร์โบเล่ไฮเปอร์แปลว่าเกินนะครับโบเลมีความหมายว่าพูดเกินหรืออะไรที่มันเกินนะครับเหมือนกับการ พูดคุยคุยโตโอ้วอดนะครับพี่น้องครับคำไฮเปอร์โบเลนั้นเป็นศัพท์ทางวิชาการซึ่งหมายถึงการขยายเนื้อความหรือขยายความเพื่อให้การสอนมีน้ำหนักมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ทำจริงๆพระเยซูไม่ได้สอนให้ทำตัวเองให้พิการทำมือทำเท้าทำตาให้พิการนะครับ แต่พี่เยซูกำลังบอกว่าถ้าหากว่าสิ่งเราเนี่ยทำให้ทั้งตัวต้องตกนรกการสูญเสียมือเสียเทา้าเสียตาไปข้างหนึ่งก็ยังดีกว่าสูญเสียชีวิตของตัวเองหน้าที่ของอวิวะเหล่านี้นะครับยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นบุคคลของคนคนนั้นซึ่งแสดงออกในการการะทาที่ที่เขาไปและสิ่งที่เขาเห็นสามอย่างนี้นครับ จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราพี่น้องครับการกระทําก็คือมือที่ที่เข้าไปก็คือเท้าสิ่งที่เขาเห็นก็คือตาพี่น้องครับสามอย่างนี้แหละครับเป็นสามอย่างที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราสามอย่างนี้เป็นสามอย่างที่มารซาตานมันใช้เพื่อที่จะล่อลวงขุดหลุมดักเราหลุมพรางที่ดักเราในการทาบาป น้องครับมัทธิวพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไงครับมัทธิวพูดถึงเรื่องนี้โดยเริ่มต้นว่าพระเยซูตัดเรื่องการทดลองและนี่เป็นข้าวแรกที่นําไปสู่ความบาปครับทุกคนซึ่งเป็นคริสเตียนถูกทดลองได้ลูกของพระเจ้าถูกล่อลวงได้โดยหลายสิ่งและด้วยหลายวิธีเพราะฉะนั้นการคล้อยตามและการยอมแพ้แก่การทดลองคือสิ่งที่จัดว่าเป็นความบาปมีเพลงเพลงหนึ่งนะครับได้บอกว่า อย่ายอมแพ้การทดลองถ้ายอมแพ้จะบาปพี่น้องครับการคล้อยตามและการยอมแพ้แก่การทดลองหรือการล่อลวงนั้นคือสิ่งที่จัดได้ว่าเป็นความบาปแต่การถูกทดลองไม่เป็นบาปการกทดลองนั้นไม่ใช่ความผิดบาปนะครับพี่น้องครับการทดลองจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างแน่นอน แต่ครับแต่พระเยซูกําลังสอนที่นี่ว่าวิบัตสแก่ผู้ที่ก่อเหตุให้หลงผิดนั้นเห็นไหมครับก่อเหตุให้หลงผิดนั้นมีสองระดับครับระดับแรกคือมารซาตานระดับที่สองก็คือผู้คนที่ตกเป็นเครื่องมือของมารซาตานพี่น้องครับการทดลองนั้นมักมาทางสายตานะครับมักมาทางมือมักมาทางเท้านะครับ การล่อลวงเปลี่ยนการทดลองให้กลายเป็นบาปของยังเดียวกันนะครับเรื่องเดียวกันที่เข้ามาในชีวิตของเราหมันซาตานั้นมันใช้เพื่อที่จะให้เราทำบาปเราสามารถเที่ะควบคุมการทดลองโดยพึ่งพาในพระคุณของพระเจ้าสามารถที่จะหลีกเลี่ยงสถานที่ต่างๆที่เราจะไปสามารถที่จะตัดสินใจที่จะไม่ใช้มือทําสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ดำเนินอยู่ในทางของคนชั่วร้ายไม่กระทำสิ่งที่เป็นมนทถิ่นหรือเลี่ยงสถานที่ต่างๆที่เรียกว่าสถานที่ที่อโขจรทั้งหลายหรือเลี่ยงที่มือของเราจะไม่หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบและหยิบแก้วเหล้าขึ้นมาดื่มหรือทำบางสิ่งบางอย่างด้วยมือของเราที่ไม่ถูกต้องพระเยซูตรัสให้เห็นถึงความสำคัญความร้ายแรง ของการทำบาปเพชรตัดว่าที่จะพิการหรือตาบอดก็ยังมีดีกว่าครับเครื่องดีกว่ามีอวิวะครบถ้วนแต่ต้องตกนรกชั่วนิบบิรัพี่น้องครับพระชน้าพระเจ้าตอนนี้ทําให้เราเห็นถึงความสําคัญสามประการนะครับประการแรกก็คือความสําคัญของจิตปิญญาณนั้นมีน้ําหนักสูงที่สุดครับในชีวิตของเราเนี่ยต้องเลือก เลือกที่จะเสียสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่สําคัญหรือมีความสําคัญน้อยกว่ามีความจะเป็นน้อยกว่าเพื่อจะได้สิ่งที่สําคัญที่สุดจำเป็นที่สุดมีคุณค่าที่สุดอันนี้คือประการแรกความสําคัญของจิตอิญยานั้นมีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดประการที่สองก็คือเราจะต้องเรียนรู้ในการกำจัดจุดอ่อนของเรากาจัดจุดอ่อนของเราครับการกาจัดจุดอ่อนของเรา จะต้องเริ่มจากการที่เราต้องสำรวจดูในชีวิตของเราว่ามีสิ่งใดในชีวิตของเรานั้นเป็นจุดอ่อนหรือไม่นะครับเ้าเรียกว่าทําวัสดสวัสมาจากคําว่า strength นะครับรู้จักตัวเองว่าเรามีความเข้มแข็ง weakness การยอมรับจุดอ่อนและรู้จักจุดอ่อนของเรานะครับ O มาจากคําว่า opportunity ก็คือโอกาสที่เราจ ะ, จะเจริญเติบโตก้าวหน้า ต่อไปที่ก็คือภาวะคุกคามจากสิ่งแวดล้อมหรือจากตัวเราเองที่สามารถทำให้เราเฉื่อยช้าและลดการพัฒนาของเราลงพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นความจําเป็นมากในการกําจัดจุดอ่อนนี่เป็นประเด็นที่สองประเด็นหรือประการที่สามนั่นก็คือว่าพระเจ้ากําลังสอนเราให้เรามีเกลือในตัวครับพราะเจตนะของพระเจ้า ในตอนนี้ทําให้เราเห็นว่าพระเยซูหลังจากที่พระองค์ได้สอนเรื่องมือเรื่องเท้านะครับเรื่องตาพระเยซูก็กําลังบอกว่าชีวิตของเรานั้นที่เป็นคริสเตียนเนี่ยจะต้องมีเกลือครับในข้อสีสิบเก้าบอกว่าด้วยว่าคนทั้งปวงจะต้องถูกเคล้าเกลือด้วยแล้วชําระด้วยไฟพระเยซูกําลังตรัสโดยใช้แนวคิด ของเลเวนิติว่าบรรดาของถวายนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องถูกเคล้าด้วยเกลือก่อนแล้วจะนําไปเพื่อที่จะเผาบูชาเพื่อที่จะเผาไฟพี่น้องครับตรงนี้ครับเป็นจุดที่สําคัญก็คือว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องเป็นเกลือครับเกลือจะต้องมีเกลือในตัวเกลือมีหน้าที่อย่างน้อยสามอย่างครับอย่างแรกก็คือพรีเซอร์เวที หรือว่าการสงวนรักษาไว้นะครับ Preservative ก็คือว่าของนะครับซึ่งเป็นของสดไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นหมูจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยหากว่าเราอยากจะเก็บนานๆนะครับเราจะต้องเค้าเกลือนะครับก็คือการ preserve ก็คือทำให้เราสามารถเก็บของได้เป็นเวลานานๆนชีวิตของเราเหมือนกันครับความเป็นเกลือ ในแผ่นดินโลกก็คือจะต้องสามารถที่จะจันโลงสามารถที่จะเก็บสิ่งดีๆนะครับไม่ให้มันเสียไปประการที่สองก็คือเทสต์คับเทสนี่ก็คือรสชาติเกลือที่ดีนะครับต้องมีรสเค็มนะครับทำให้มีรสชาติใครเป็นเกลือในชีวิตของเราคนนั้นทาให้ชีวิตของเรานั้นมีรสชาติเราเองก็ต้องเป็นเกลือที่จะสัมผัสกับชีวิตของคนอื่น นะครับประการที่สามครับก็คือความเป็นเกลือมันนํากันรักษามาให้พี่น้องครับเวลาคนไม่สบายนะครับต้องฉีดน้ําเกลือพี่น้องเห็นไหมครับเวลาคนที่อแผลที่ไม่หายนะครับนะถ้าเราทาเกลือนะครับมันก็จะสามารถฆ่าเชื้อโรคพี่น้องที่เจ็บคอไม่สบายไอบ่อยบ่อยบ้วนน้ําเกลือครับ นี่คือสามประการอย่างน้อยของคุณสมบัติของเกลือก็คือเป็น Preservative นะครับเป็น t ท s t นะครับแล้วก็เป็น Healing นะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในชีวิตของเราที่เราจะผ่านการทดลองและไม่ทำบาปและในที่สุดเราจะเป็นเกลือของแผ่นดินโลกอามน